House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มผ้าปูที่นอนของ House 64ถามว่ามันดียังไงวันนี้ผมจะอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์2เรื่องคือเรื่องแรงเสียดทานและความทนทานต่อแรงดึงข้อแรกคือเรื่องแรงเสียดทานครับผ้าที่นุ่มลื่นเวลาที่เราสัมผัสคือผ้าที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่าหรือก็คือพื้นผิวผ้ามีความเรียบเนียนมากที่สุด ขึ้นอยู่กับลักษณะของได้ที่ใช้ทอโดยผ้าปูเฮาส์64เลือกใช้เส้นได้แบบคอมเพคยานในการทอผ้าซึ่งคอม c พกยานคือวิธีการปั่นเส้นได้ให้มีพื้นผิวสัมผัสที่เรียบเนียนมีปอยขนน้อยที่สุดทำให้ได้เส้นได้ที่เล็กซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับเส้นที่เล็กและเรียบเนียนอย่างคอมเพคยานเมื่อนามาทอผ้าจึงทาให้ผ้ามีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่าและเส้นได้ที่เรียบเนียนนั้น ช่วยในการเรียงตัวระหว่างเส้นด้ยที่ใช้ทอผ้าปูที่นอนมีความแนบชิดกันมากขึ้นผ้าปูจึงทั้งเนียนและนุ่มลื่นนั่นเองครับข้อต่อมาคือเรื่องความทนทานต่อแรงดึงมีงานวิจัยที่ระบุว่าผ้าปูที่นอนที่ใช้เส้นด้ยที่ทอด้วยความหนาแน่นสูงและรอบการทอที่สูงจะมีความทนทานต่อแรงดึงและแรงขูดมากกว่าอธิบายง่ายๆก็คือมีความทนทานมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาส้นเท้าแตก กังวลว่าส้นเท้าจะเกี่ยวผ้าจนเป็นขุยหรือกังวลว่าผ้าซักไปนานๆแล้วจะเป็นขุยหมดห่วงได้เลยครับเพราะผ้าของ h o u s ์6 4ทอถึง800เส้นได้เลยครับใครที่สนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือแอดไลน์แอดเฮาสมี Ad s i g ดด้วยนะครับเพียงแจ้งหรือกรอกโค้ดใดๆ DAI DAI ดีตัวแรกตัวใหญ่นะครับ รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ 8,000 บาทขึ้นไปพิเศษภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้น h o u s ์ House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มทุกวันนี้เราค้นพบแรงมา4แรงแล้ว4แรงนี้มันก็อธิบายธรรมชาติที่เราพบเห็นได้ดีในในระดับที่น่าพึงพอใจมากแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้นักฟิสิกส์เนี่ย เราแค่ราคายว่าเราต้องการฟิสิกส์ใหม่ถ้าจะเปรียบเทียบกับการสำรวจนะฮะคล้ายๆกับวันพีซหรือการเดินทางทางทะเลอะเหมือนค้นพบดินแดนดินแดนใหม่ดินแดนใหม่อะไรแบบนั้นอะซึ่งมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนิวฟิสิกส์นะแรงอย่างที่5ถ้ามันมีอยู่จริงมันอาจจะไม่มีก็ได้หรือมันอาจจะมีก็ได้นะวันนี้นะมันต้องการหลักฐานที่สตรองมากๆเขาถึงจะกล้าพูดเรื่องนี้ you're listening to the standard podcast The eye-opening experience for your ears. p o d c a s t w i s s e n s c nerd nerd. That i l l take o n t o o r ฟิสิกส์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าไม่มีเรื่องบังเอิญ น, นะคะเวลาที่เราอยากจะทําความเข้าใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยแรงพื้นฐานช่วยให้เราเข้าใจมันได้เรารู้ว่าถ้าทําแก้วตกหล่นจากมือเนี่ยมันก็จะหล่นลงสู่พื้นใช่ไหมคะเป็นไปตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันแต่ว่ายังมีอีกสี่แรงพื้นฐานที่จะทําให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันไปจนถึงในระดับของเอกภพได้ด้วยนะคะและไม่แน่ว่าเร็วๆนี้ในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะรู้จักกับแรงพื้นฐานใหม่ แรงที่5ด้วยก็ได้วันนี้มาคุยกันในใดในโลกล้วนฟิสิกส์นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับฟางรัตทรโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอัจวรงคจันทมาศครับพี่ปองแปงคะช่วงไม่กี่เดือนมานี้ยมันจะมีข่าวบอกว่านักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ค้นพบแรงพื้นฐานใหม่ชนิดที่หอาจริงไหมคะพี่ตอนเนี้ยังยังไม่เจอฮะถ้าถ้าตอบเร็วๆเลยนะคือยังไม่เจอยังไม่คอนเฟิร์มยังต้องมีการเก็บข้อมูลอีกเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมมันก็ถ้าเก็บข้อมูลมากพอเราวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วแล้วก็ทดลองต่างๆเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะก็มีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้ยังยังคอนเฟิร์มไม่ได้แต่ถามว่าข่าวนี้มันมาจากไหนอย่างไรเนี่ยผมว่ามันต้องมาเข้าใจก่อนว่าแรงพื้นฐานเนี่ยคืออะไร1นึ่งมีอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ทําให้เราละแคะระคายพวกนักฟิสิกส์ระแคระคายว่าเอ๊ะปรากฏการเหล่านี้มันอาจจะนําไปสู่แรงแบบใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ มันคื อ, อปรากฏการ์อะไรทําไมต้องใช้อะไรที่ห้ามอธิบายก็เราน่ามาคุยเรื่องนี้ก่อนค่ะทีนี้ถ้าพูดเกินข้าวๆก่อนว่าไอ้เจ้าแรงพื้นฐานเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะ่ะอ๋อคือเอกภพของเรามีความเปลี่ยนปแปลงในธรรมชาติเยอะมากคือปรากฏการ์ต่างๆมันหลากหลายเต็มไปหมดฟ้าร้องฟ้าผ่าเของตกแตกที่น้องฟางพูดนะฮะอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้นเหตุ ข, ของความเปลี่ยนปแปลงในระดับชีวิตประจำวันที่เราเห็นก็คือแรงเนาะ แรงมันทำให้วัตถุกเกิดความเร่งกระชากอะไรต่างๆหรือบีบอัดแตกอะไรพวกนี้ น, นะซึ่งแรงที่เกี่ยวข้องในชีวประจำวันเดียวแยกจะไม่หมดใช่ไหมแรงอะไรบ้างที่เรารู้สึกได้แรงผลักใช่แรงสั่นสะเทือนแรงแรงลมแรงคือ พ, พูดไปเนี่ยลิสต์ได้ยาวเหยเียดแต่ไม่หมดมนะแต่ทีนี้นักฟิสิกส์ได้ศึกษาฟิสิกส์มากถึงจุดหนึ่งจนกระทั่งรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เรารู้นะฮะ สามารถลดทอนมันอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าแรงพื้นฐานได้แค่สี่แรงเท่านั้นมหมายความว่าสี่แรงนี้เป็นต้นเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งหมดทั้งปวงอันหลากหลายในเอกภพน่าทึ่งไหมจัดกลุ่มมันลงมาได้ใช่ไหมใช่คือลดลงมาแล้วเนี่ยแรงระหว่างอนุภาคแค่สี่แรงเท่านั้นนี่แหละที่เป็นต้นเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ดูหลากหลายมากๆได้ซึ่ง ถ้าพูดในภาษาของฟิสิกส์จริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าแรงนะครับคือแรงเนี่ยมันเป็นคําในระดับที่ิตประจำวันแล้วก็ ใ, <ช>ในระดับคนทั่วไปเข้าใจกันได้แล้วก็ในระดับฟิสิกส์แบบคลาสสิกแต่ในเชิงฟิสิกส์แบบโมเดิร์นจริงๆเขาจะใช้คําว่าอินเทอร์แอคชั่นภาษาไทยเนี่ยแปลไว้ว่าอันตรกิริยาเหมือนกระทําต่อกันอ่าอินเตอร์แอคชั่นอินเทอร์แอคชั่นก็คือลดทอนลงไปถ้าเราซูมลงไปจนถึงอนุภาคที่เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ย สิ่งที่มันส่งผลระหว่างอนุภาคเนี่ยเขาจะเรียกอินเทอร์เรชันระหว่างอนุภาคซึ่งมีทั้งสี่อินเทอร์เรชันแต่ขอใช้คาว่าแรงก็แล้วกันเพื่อให้ให้เราคุ้นเคยเพราะถ้าจะเอาเป็นคําไทยก็จะใช้อันตรกิริยาอย่างที่บอกมันอาจจะยืดยาวไปหน่อยแล้วใน4แรงเนี่ยพูดให้ฟังก่อนว่ามีอะไรบ้างเลยไหมคะอ่าสี่แรงนี้ใช่ไหมที่นักฟิสิครู้จักกันดีแล้วกันมีแรงโน้มถ่วงค่ะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็อีก2แรงเนี่ยนักฟิสิครู้จักไม่ถึงร0อปีนี้ ไม่ถึงร้อปีนี่ถือว่าค่อนข้างใหม่สาหรับฟิสิกส์นะก็คือแรงอย่างอ่อนกับแรงอย่างเข้มภาษาอังกฤษคือ weak interaction กับ strong interaction ค่ะตรงไปตรงมาเลยเออชื่อชื่อมันแบบว่าอันหนึ่งกับอันสองเนี่ยเราคุ้นเคยแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้คุ้นเคยแต่อีก2อันเนี่ยก็อาจจะแบบไม่คุ้นเลยเนาะอ๋อไม่แปลกเพราะว่าฟิสิกส์เราพ้นค้นพบมาไม่ถึงร้อยปีนะฮะแล้วก็ทําไมเราไม่พ้นพบมาตั้งแต่สมัยนิวตันอะไรพวกเนี้ย คำตอบก็คือมันเป็นแรงที่ซุกซ่อนอยู่ในสเกลที่ค่อนข้างเล็กมากค่อนข้างเล็กมากแล้วก็ธรรมชาติของมันก็มีความซับซ้อนซะจนกระทั่งไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้ถ้าพูดถึงสองแรง<อ>หลังเนี่ยแล้วน้องฟางงงหรือท่านผู้ชมงงก็เป็นเรื่องธรรมดาโอเคใช่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนย่าคือเอางี้คนเรียนฟิสิกส์เองอ่ะพูดถึง2แรงเนี่ยคือต่อให้จบฟิสิกส์มาเลยนะก็อาจจะไม่ได้ เรียนสแรงนีอง้อย่างทองแท้แต่ชานมากนะโอเคงั้นยิ่งอยากฟังเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราลองฟังว่าเราจะเข้าใจไหมแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดในแต่ละแรงเนี่ยฟัง อ, อยากรู้ว่าไอ้คาว่าแรงพื้นฐานอย่างเงี้ยพี่ปกแบ่งมันมันใช้กับที่ไหนบ้างบนโลกอย่างเดียวไหมหรือว่าไปจนถึงระดับเอกพภพแรงนี้อธิบายได้ด้วยหรือเปล่าอ๋อคำว่า fundamental interaction หรือแรงพื้นฐานอันตรกริยาพื้นฐานเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ ใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ทั่วทั้งเอกภพเลยม ไ, มไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดเวลาใช่เป็นอะไรที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของนักฟิสิกส์ที่เราทําความเข้าใจจนรู้ว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดที่ดูหลากหลายเนี่ยมันประกอบไปด้วยกฎง่ายๆแค่แค่4อย่างระหว่างอนุภาคเท่านั้นอฟิสิกส์เนี่ ย, เ ร, ยเรียนไปมันจะเห็นถึงความสวยงามตรงที่ว่าเราสามารถจัดระเบียบความซับซ้อนยุ่งเหยิงภายใต้ความซับซ้อนยุ่งเหยิงหลากหลายเนี่ยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ไม่ยาก เออไม่ใช่ไม่ยากแต่เรียบง่ายสี่อย่างเรียบง่ายแต่ว่าเข้าใจไหมเดี๋ยวลองมาฟังไปด้วยกันโอเคงั้นเราเริ่มกันที่แรงแรกเลยไหมครับแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงก็เป็นแรงที่เราคุ้นเคยนะฮะแรงอย่างที่หนึ่งคือ gravitational interaction ซึ่งเราเคยทำตอนนี้แล้วด้วยอ่ะใครยังไม่เคยดูกลับไปดูแต่ตอนนี้ก็จะเกริ่นให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่ามันก็เป็นแรงที่รู้จักกันมาตั้งแต่ยุคไอแซคนิวตันละคือ มันส่งผลต่อมนุษย์เราอย่างมากคือเราอยู่บนพื้นโลกเนี่ยเราไม่ลอยออกไปเนี่ยก็เพราะโลกดึงดูดเราไว้ใช่ปะ่ะโลกของเราเนี่ยเป็นทรงกลมเพราะอะไรเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันดึงดูดทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างสมมาตรมันก็ออกมาเป็นกลมกลมหรือว่าดาวเคราะห์มันโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะอะไรก็เพราะมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดแล้วมันยังส่งผลในสเกลที่ใหญ่ขึ้นไปว่ากาแล็กซีหลายกาแล็กซี่ที่มีดาวฤกษ์มันเกาะกลุ่มกันได้ก็เพราะแรงโน้มถ่วงคือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นอะไรที่พบเห็นได้ ธรรมดาสามันนะฮะค่ะซึ่งความพิเศษของมันคือมันมีผลตั้งแต่ในระดับที่เรายือนอยู่บนโลกไปใกล้จนถึงในระดับแบบเอกภพเลยใช่แล้วมันก็ส่งผลต่อต่อธรรมชาติโดยรวมของเอกภพด้วยคือถ้าเราอยากรู้ว่าธรรมชาติของเอกภพในปัจจุบันในอดีตหรือแม้แต่ในอนาคตเป็นอย่างไรเนี่ยการทําความเข้าใจแรงโน้มถ่วงก็มีความสําคัญต่อแบบจําลองของเอกภพมากๆว่าสุดท้ายเอกภ พ, บพบของเราจะจบแบบไหนสมมตินะฮะเคยได้ยินเรื่อง บิ๊กแบงอะไรนี่ไหมที่อก็ขยายตัวเนี่ยมันจะขยายไปเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือขยายแล้วไปหยุดลงที่ค่าหนึ่งหรือขยายไปแล้วมันจะบีบอัดกลับเข้ามาอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแล้วก็ธรรมชาติเกี่ยวกับมวลที่ มันจะดึงดูดและตอบคาถามพวกนี้ทั้งนั้นเลยคือเป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะทีนี้ในใน u t u b e ตอนแรงโน้มถ่วงเนี่ยลองไปอ่านมามีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจเขาถามมาว่ามันเป็นไปได้ไหมที่สมมุติว่าเราบอกว่าการที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ก็เพราะมีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะแล้วจะมีสักวันหนึ่งไหมที่โลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยค่อยๆคายเหยีบเข้าใกล้หากันเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้ไหมคะคือคืออย่างนี้ก่อนเลย เราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของแรงเนี่ยมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่นะฮะได้ได้2แบบก็คือทําให้วัตถุนั้นเนี่ยเปลี่ยนอัตราเร็วก็ได้ใช่ไหมเช่นจากเดิมมีโต๊ะอยู่แล้วผมออกแรงผลักมันมันก็จะเร็วขึ้นหรือโตะที่มันเร็วอยู่แล้วผมไปพยายามออกแรงต้านมันมันก็จะเป็นไงช้าลงอ่ะหรือถ้าโต๊ะมันเร็วของมันอยู่แล้วแล้วผมออกแรงดึงตั้งฉากกับมันอะดึงตั้งฉากใช่แทนที่จะไปผลักเสริมมันหรือต้านมัน แต่ออกแรงในทิศทางตั้งฉากกับมันเนี่ยอัตราเร็วมันจะเท่าเดิมนะแต่มันจะเปลี่ยนทิศในที่นี้ก็เหมือนกันดาวเคราะห์ที่มันโคจรไปรอบรอบดวงอาทิตย์เนี่ยแรงมันตั้งฉากดังนั้นมันจะเปลี่ยนทิศในการวิ่งของมันไปเรื่อยๆจากเดิมที่มันควรจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมันก็จะเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆเหมือนคนที่เอาเชือกมาผูกก้นหินแล้วเวียงไปรอบรอบหัวนะครับตราบใดที่มันยังอยู่ในสมดุลเนี่ยมันไม่มีทางที่จะตกเข้าหาตรงกลางได้เลยอไม่มีทางเลยเพราะว่าเป็นแรงที่กระทําแบบตั้งฉากโอเค ยกเว้นเราจะอาจจะใส่แบบจําลองให้มันละเอียดมากขึ้นสมบูรณนะครับเช่นว่าในอวกาศอาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรทําให้ในที่สุดแล้วมันค่อยๆสูญเสียพลังงานแล้วก็ลดอันนี้ลงแต่มันต่ํามากมันน้อยมากอาจจะกล่าวได้ว่าในอวกาศมันมีความเป็นสุญญากาศสูงอย่างน้อยที่สุดในช่วงชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยดาวเคราะห์มันก็โคจรอยู่รอบๆดาวฤกษ์ด้วยความสมดุลด้วยความเสถียรอย่างนั้นนะครับ น่าจะได้คําต อ, อบใครที่แบบคอมเมนต์มาเนาะขอบคุณสําหรับคําถามนะครับโอเคทีนี้เราจะไปกันที่แรงต่อไปเลยไหมคะอ่าแตแ่เดี๋ยวนิดนึงแรงน้มถ่วงเนี่ยตะกีค้คุยกันว่ามันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ส่งผลต่อรูปร่างของกาแล็กซี่จุดจบของเอกภพอะไรก็ตามแต่มันเป็นแรงที่อ่อนมากอันนี้เคยพูดไหมใช่เราเคยคุยกันแรงเนี่ยมันอ่อนมากเมื่อเทียบกับแรงทางอื่นๆนะฮะเช่นแรงทางไฟฟ้าหรือแรงอะไรก็ตามมันเป็นแรงที่อ่อนที่สุด การเปรียบเทียบที่คลาสสิกที่สุดที่ผมยกทุกครั้งคือเอาไม้บรรทัดเนี่ยมาถูหัวแล้วก็เอามาดูดเศษกระดาษที่เคยเล่นะ่ะประจุไฟฟ้าไม่กี่เม็ดแค่อยู่บนไม้บรรทัดเนียพอจะดึงดูดเศษกระดาษให้มันวิ่งขึ้นมาติดติดไม้บรรทัดได้ในขณะที่โลกทั้งใบที่อยู่ข้างล่างเศษกระดาษเนี่ยโลกทั้งใบนะดูดไม่ไหวใช่คือแรงประจุไฟฟ้ามันเอาชนะแรงโน้มถ่วงโลกทั้งใบได้ แรงโน้มถ่วงมันอ่อนมากอืมันเกิดคําถามฮนะว่าทําไมมันอ่อนคือนักฟิสิกส์ทุกวันนี้ก็ถามเนอ ะ, ะทําไมมันอ่อนเกินคนอื่นขนาดนั้นอต้องฟังอาจจะสงสัยว่าถามทาไมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาถามน ะ, ะตอนที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกแรงยังอ่อนจบแล้วผมจะอธิบายตอนนั้นเลยว่าทําไมเขาถึงถามว่ามันอ่อนเพราะอะไรอคือทุกวันเนี้ยเรามีทฤษฎีกดแรงโน้มถ่วงของนิวตันใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์กาลาเซี่อะไรได้ แล้วก็ในระดับสเกลของเอกภพหรือแรงโน้มถ่วงเข้มๆ เ, เ, เรามีสัมพัทธภาพทั่วไปนะครับของไอน์สไตน์อันนี้ก็ใช้อธิบายธรรมชาติของแรงโน้มถ่งวงคํานวณอะไรได้ดีหมดเลยเราก็น่าจะพอใจแค่นั้นไปถามทำไมมันอ่อนมันอะไรมันมันมีเหตุให้ถามแล้วก็ด้วยความที่เราอยากเข้าใจมันในระดับร่า ฐ, ฐานนะฮะตอนนี้แรงโน้มถ่วงเนี่ยเราคํานวณอะไรเกี่ยวกับมันได้แต่เรายังไม่เข้าใจธรรมชาติในระดับควันตั้มของมันว่า มันออกมาจากอนุภาคอย่างไรธรรมชาติของสนามแรงโน้มถ่วงลึกๆแล้วมันมีธรรมชาติแบบไหนอย่างไรเรายังตอบคําถามแบบนี้มไม่ได้อีกหลายอย่างมากๆในขณะที่แรงอื่นๆอีก3แรงเนี่ยเราเข้าใจเรื่องสนามของมันมากพอสมควรเลย อ, อยู่แล้วอ่างน้อก็เข้าใจกับแรงโน้มถ่วงเยอะมากๆ ม, มันจึงเป็นแรงที่เต็ไมไปด้วยปัญหาสุดๆในการทําความเข้าใจมันรวมทั้งการพยายามจะรวมมันในกรอบของแรงอื่นๆอะไรพวกนี้ก็ก็เป็นปัญหา ทั้งๆที่มันดูจะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและอยู่ในชีวิตประจาวันเราใช่แล้วแล้วเรารู้จักมันแบบมาตั้งแต่ยุคโบราณมากๆแต่พอศึกษาลึกๆแล้วมันเต็มไปด้วยปัญหาอน่าสนใจมากเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรงน้มถ่วงนะโอเคค่ะงั้นเราไปกันที่แรงที่สองอก็คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic interaction นะครับก็ ยุคโบราณก็จะมีแรงแม่เหล็กเนาะมาจากสะสารแม่เหล็กค่แมกเนตติดตู้เย็นน่ะกับอีกแบบนึ่งก็คือแรงไฟฟ้าแรงจากประ จ, จุไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสถิตอะไรสองอย่างเนี้เดิมทีมันเคยแยกจากกันจนกระทั่งเจมส์คลาร์สแม็กซ์เวลล์บอกว่า2 อ, อย่างนี้จริงๆมันคือแรงพื้นฐานอย่างเดียวกันแหละที่อมองในคนละคนละเปอร์สเปกทีฟคนละมุมก็เรียกยูนิฟายมันเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะแล้วแม่เหล็กกับไฟฟ้ามันทําไมถึงมารวมกันได้คะ อันนี้ต้องไปศึกษาเรื่องของสมการของคุณแม x กซ์เวลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับว่าผู้สังเกตนะฮะที่บางทีโอ้โหนี่ถามมันถามลึกนะเนี่ยคือบางทีผู้สังเกตที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วคงตัวนะฮะบางทีก็อาจจะเห็นสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าต่างจากคนที่อยู่นิ่งๆเมื่อเทียบกับสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าอะไรพวกนี้อ อ, อ, อย่างนี้มันเปลี่ยนไปมาหาสู่กันได้มันเป็นอย่างเดียวกันที่อยู่ที่ ที่แค่สังเกตได้ไม่เท่ากันในแต่ละแต่ละคนที่เคลื่อนไหวกับคนที่อยู่นิ่งๆอะไรทำนองนี้มันมันนำมาทำค่ะค่ะค่ะทีนี้ถามสดแล้วเนี่ยผมกลัวคำถามสดมาตลอดมีการทำตาค้อนเหองเล็กน้อยโอเคแล้วทีนี้ถ้าเราจะทำดีทาดีถ้าเราจะทำความเข้าใจแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้จักเขาบ้างถ้าเราอยากสนิทกับเขาเนี่ยอ๋อก็ สมการที่ใช้อธิบายธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะสมการของคุณแม็กซ์เวลนะครับก็ไปรู้จักทางนั้นก็นและกันสําหรับคนที่อยากเรียนฟิสิกส์นะฮะแต่แรงแทบทั้งหมดที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันถ้าไม่นับแรงโน้มถ่วงนะที่เราคุ้นเคยกันนะคือแรงโน้มถ่วงมันชัดเจนปล่อยแล้วของตกเรายืนอยู่กับพื้นอะไรต่างๆอันนี้แรงโน้มถ่วงอแต่นอกจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามไม่ว่าจะเป็นแรงเสียดทานและคือสมมุติว่าเออ วัตถุกลิ้งเคลื่อนที่ไปบนพื้นแล้วมันค่อยๆช้าลงอย่างเงี้ยเกิดแรงเสียดทานมันก็คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างผิวสัมผัสของอะตอมระหว่างผิวระนาบ2อันที่มันแตะกันะนะครับหรือแรงที่ทําให้แบตเตอรี่มันจ่ายไฟฟ้าได้เขาเรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแรงที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเชิงเปอร์ทิยาเคมีต่างๆซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนของสส า, าร นี้ก็เป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนั้นอคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอยู่รอบตัวเราแทบจะทุกอนูขุมขนเลยนะฮะใช่ใชแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็เห็นได้ทั่วไปปรากฏการณ์ส่วนใหญ่ถ้าไมนับแรงโน้มถ่วงก็เป็นปรากฏการ์เชิงแม่เหล็กไฟฟ้านะทีนี้อย่างฟ้าพงฟ้าผ่าอะไรเงี้ยใช่หมดนะที่มันเกี่ยวข้องกับเชิงไฟฟ้าเนี่ยนะใช่หมดทีนี้เนี่ยสองเรื่องคือแรงโน้มถ่วงกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราคุ้นเคย แรงน้มถ่วงยิ่งคุ้นเคยเลยไม่เหล็กไฟฟ้าก็คุ้นเคยแล้วก็มีการเรียนการสอนมาโดยตลอดนะครับอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมละอตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในการทําความเข้าใจมันในระดับทั่วไปปัญหาไปเกิดตรงไหนคะอีกสองแรงนี้แหละที่ผมจะพูดคือตอนนี้มันจะนํามาทํามันจะเป็นฟิสิกส์ที่ค่อนข้างจะยากนะครับก็คือแรงอย่างที่3แรงอย่างที่3ามเขาเรียก We ่งอินเทอร์เรช กลายเป็นไทยว่าแรงอย่างอ่อนอนะครับแรงอย่างอ่อนก็เป็นแรงที่มนุษย์ค้นพบมาไม่ถึง100ร้อยปีนะฮะเช่นเดียวกับแรงอย่างที่สี่ก็คือแรงอย่างเข้มแต่แรงอย่างอ่อนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสลายตัวของกรรมตภาพรังสีที่ให้รังสีเบต้าอย่างเงี้ยโอ้โหคือชีวิตเราอะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับกรรมตะรังสีแล้วต้องเป็นกรรมตรังสีที่แบบ มันให้แังสีเบต้าอย่างเงี้ยด้วยเฉพาะเจาะจงมากมากอะจริงๆมันก็ไปกรุ้วกลุวกับอย่างอื่นบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือการสลายตัวที่ให้เบต้าออกมาค่ะแล้วก็เป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคคือมันจะมีอนุภาคอยู่ดีตัวหนึ่งเรียกนิวตริโนค่ะงงละอะไรนิวตริโนเคยได้ยินไหมเราอะเคยได้ยินแต่ว่าในรายการนี่แหละค่ะแต่ว่าจํามันไม่ได้เลยค่ะบว่ามันคืออะไรนะคือมันเป็นอนุภาคฟอนโนเบนทัลคือเป็นอนุภาคมูลฐานที่เล็กที่สุดไม่มีองค์ประกอบเท่าที่เรารู้ซึ่ง ทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมามหาศาลเลยแต่มันทะลุร่างกายเราตลอดเวลามหาศาลโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแลวไม่เกิดอะไรด้วยตัวมันไม่มีประจุไฟฟ้าให้เกิดอิเล็กโทรแมกเนติกอินเทอร์แลกชันแต่ตัวมันเนี่ยอินเทอร์แผ่านแรงอย่างอ่อนนี่แหละซึ่งมันยากมากที่จะไปตรวจจับมันแล้วเมื่อไม่กี่สิปีมันเนี่ยนะฮะเราไปค้นพบว่านิวตริโนเนี่ยมันมีมวลด้วยเท่ากับว่ามันก็มีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แรงน้มถ่วงด้วยแต่แรงน้มถ่วงเราตัดไปเลยเพราะว่ามันอ่อนมากๆเราตรวจจับมันผ่านแรงน้มถ่วงไม่ได้หรอกก็ส่วนใหญ่เราจะตรวจจับนิวตริโนเนี่ยก็ผ่าน weak interaction โอ้นำมาทำไหมนิดหนึ่งเพราะว่าเรานึกภาพมันไม่ออกเลยมันไม่มันไม่เห็นภาพเนาะโอเคคือเวลาเราจะศึกษาอะไรในอวกาศเราจะใช้อะไรเราจะใช้หลักๆเลยเราจะใช้การศึกษาแสงถ้าไม่ใช้แสงเราก็จะใช สังสีเอังสีอินฟราเรดไมโครเวฟแกมมาอะไรก็ว่าไปทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแต่การศึกษานิวตริโนได้เนี่ยมันนำมาซึ่งชันแนลใหม่ในการศึกษาเอกภพซึ่งตอนนี้เขากำลังเขากำลังฮือฮาตื่นเต้นกันนะทุกคนเนี่ยว่าเฮ้ยการตรวจจับนิวตริโนได้เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่นิวตริโนแอสโทรโนมีอ่าคือมันเหมือนกับดวงตาที่3เราเบิกฟุบขึ้นมาแล้วก็มองนิวตริโนแทนที่จะมองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วก็อาจจะตรวจจับปรากฏการณ์ที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันถูกบงังแต่นิวติโนมันไม่ถอยถูกบังใช่ไห ม, มแล้วก็ไปดูนิวติโนมซะสิอะไรแบบนั้นอืมโดยที่เจ้าแรงอย่างอ่อนเนี่ยเป็นเหมือนวิธีการที่ทําให้เราตรวจจับตรวจเจอใช่แล้วแรงอย่างอ่อนเนี่ยนะครับมันมีความซับซ้อนมากอะ่ะคือผมผมเคยเรียนมาครับก็จะแบบคือตอนทํามานั่งอ่านเรื่องนี้ก็จะแบบเล่ายัางไงดีว่าก็พยายามดึงเอาจุดสําคัญของมันออกมามก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่า แรงอย่างอ่อนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เอกภพเนี่ยเกิดความไม่สมดุลระหว่างสะสารกับปฏิสะสารความไม่สมดุลนั้นคือยังไงคะอ่าเห็นไหมคือก็จะเริ่มซับซ้อนละเอาก่อนงี้ก่อนปฏิสะสารคืออะไรก่อนไหมอ่าอ่าคือสิ่งที่เราเจอในชีวประจำวันมันคือสะสารเป็นสสารใช่ไหมอ่าเราเรียนเรื่องสะสารมาไม่ค่อยมีหนังสือเรียนเขียนปฏิสะสารนะครับปฏิสะสารเนี่ยหรือปฏิอนุภาคอ้ําคืองี้ก่อนปฏิสะสารเนี่ย มันประกอบขึ้นจากปฏิอนุภาคซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกอย่างปกติที่เราที่เราเรียนอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็เป็นอนุภาคแต่มันยังมีปฏิอิเล็กตรอนด้วยเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่นะปฏิอิเล็กตรอนก็จะมีประจุตรงข้ามกับอิเล็กตรอนนะฮะอิเล็กตรอนประจุเป็นลบปฏิปฏิอิเล็กตรอนเขาไปประจุเป็นบวกมวลเท่ากันเลยนะอะไรพวกนี้สปินตรงกันข้ามเขาก็เรียกชื่อใหม่ว่าเป็นโพซิตรอนคือปฏิอนุภาคเนี่ยเราเจอเป็นหลายสิบปีแล้วล่ะ แต่มันเกิดคําถามอย่างหนึง่งที่คาใจมาตลอดจนถึงวันนี้ว่าทําไมเอกภพเราอ่ะถึงเต็มไปด้วยอนุภาคและสะสารทําไมเอกภพไม่ถูกสร้างขึ้นจากป ฏ, ปฏิสสารทั้ทงที่จริงๆตัวมันเนี่ยแค่ประจุต่างแต่มันก็ดูมีสมมาตรอย่างมากอืมันดูมันดูไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคะมันควรจะเป็นเอกภพที่มีสองอย่างนี้อย่างละเท่าเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไร มันเกิดความไม่สมดุลตรงไหนสุดท้ายแล้วมันเลยเหลือแค่สสารให้เราตรวจเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน unsolved problem ในฟิสิกส์นะคือหาหาไม่เจอว่าทำไมมันถึงไม่สมดุลกันเราก็พอจะระแค่ระคายเชื่อกันว่ามันน่าจะมาจาก w e interaction นี่แหละที่ทำให้มันไม่สมดุลกันถูกต้องแต่กลไกลึกๆอะไรต่างๆก็ศึกษากันอยู่อันนี้พอได้ไอเดียมเออมันดูลึกซึ้งมากเลยครับ นั่นแหละนั่นแหละโ อ, อ้ค่ะค่ะก็คือมันจริงๆแล้วมันเป็นการทําความเข้าใจสิ่งที่ดูไกลตัวมากๆเลยแต่ว่าด้วยเจ้าตัวแรงอย่างอ่อนนี่แหละที่ทําให้เราพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ใช่แล้วก็ความน่าทึ่งจริงๆของเรื่องนี้เนี่ยก็คือช่วงประมาณไม่นานมามากๆนะฮะจริงๆทุกวันนี้มันก็เริ่มเข้าสู่ตํำราเรียนแล้วละ่ะแต่ว่าสําหรับมนุษยชาติก็ถือว่าใหม่อยู่คือนักฟิสิกส์เนี่ยสามารถ ทำความเข้าใจได้ว่าแรงอย่างอ่อนหรือวิคอินเทอร์แอคชกับอิเล็กโทรแมกเนติกอินเทอร์แหรือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในระดับพลังงานสูงมากๆธรรมชาติในระดับที่พลังงานสูงมากๆเนี่ยส อ, อย่างนี้เนี่ยมันเป็นแรงอย่างเดียวกันเรียกแรง <c oughs> อิเล็กโทรวิคอ่าคือมันเป็นแรงอย่างเดียวกันเลยคือคือดูแล้วไม่มีความต่างกันเขาเร <c oughs> ียกมีสมมาตรกัน <c oughs> แต่ทีนี้ในชีวิตประจําวันของเราอะธรรมชาติ ต่างๆปรากฏการต่างๆสเกลพลังงานมันไม่สูงขนาดนั้นอสองอย่างนี้ก็เสียสมมาตรลงมาจนแยกออกมาเป็นสองแรงที่ดูแตกต่างกัน<อ>ก็แยกออกมาเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้ากับ v i ธีอิน e ทลเล็กชแต่ที่พลังงานสูงมากๆสองอย่างนี้มัน Unify เป็นแรงอย่างเดียวเรียกอิเล็กโทรวีทีนี้นักฟิสิกส์ก็เลยคิดว่าแล้วไอแรงพื้นฐานอื่นๆนะที่พลังงานสูงกว่านี้มันจะรวมกันเป็นแรงอย่างเดียวกันหรือเปล่า อในเมื่อสองอย่างนี้ยังรวมกันได้เลยใช่ก็เลยนํามาซึ่งคําถามว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยที่ธรรมชาติพลังงานสูงมากๆเนี่ยค่ะมันรวมกับแรงอื่นๆไหมหรือจริงๆมันก็มันก็แตกต่างจากชาวบ้านมาอย่างนี้อยู่แล้วล่ะอะไรแบบเนี้คือคือเราไม่เราไม่มั่นใจว่าแรงโน้มถ่วงมันที่มันอ่อนผิดปกติเนี่ย ม, มันเป็นผิดปกติมันเป็นนี้แหละหรือจริงๆคือธรรมชาติที่พลังงานสูงมากๆเนี่ยมันดูไม่ต่างจากแรงอื่นๆเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันโซ่ปัญหา สุดท้ายแล้วแรงน้มถ่วงมันยูนิฟายหรือไปรวมกับแรงอื่นๆได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคําถามที่นักฟิสิกส์ถามว่าทำไมมันอ่อนจังเลยมันอ่อนอย่างเนี้ยด้วยธรรมชาติด้วยแก่นแท้ของมันหรือว่าจริงๆแล้วที่ธรรมชาติที่พลังงานสูงมากๆแท้จริงแล้วมันรวมกับแรงอื่นๆได้นะอะไรแบบนี้ถ้าสนใจมาก <c oughs> พอเราพูดคําว่าแรงพื้นฐานเนี่ยเราคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เราเข้าถึงเข้าใจมันได้แล้วหรือได้ง่ายแต่จริงๆแล้ว นอกจากตัวมันเองมันยังมีแบบการศึกษาที่แบบไปคอลแล็บกับเพื่อนเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกใช่ๆชโอ้ครับก็มันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่ศึกษายากนะอืคือลำพังเชิงทฤษฎดีนี่ก็ยากมากๆการจะพยายามอธิบายอย่างรายการนี้ <laughs> ก็ก็ ก, ก็นั่งเครียดอยู่ว่าจะตัดอะไรออกอะไรก็มาเล่าประมาณนี้ค่ะ <laughs> ทีนี้ สงสัยเลยพอเราได้ยินคําว่าแรงอย่างอ่อนที่ว่ายากแล้วมันมีอีกแรงหนึ่งก็คือแรงอย่างเข้มใช่ไหมคะเป็นแรงพื้นฐานอย่างที่สใช่มันคืออะไรคะแรงอย่างเข้มเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่นไปนะครับไม่เข้าใจแรงอย่างอ่อนใช่ไห ม, มแรงอย่างเข้มก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งนั้นไม่เป็นไรโอเคนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากเข้าใจก็ไปหาอ่านหนังสือเพิ่มเติ ม, มก็มีคนเขียนออกมาเยอะแยะแล้แรงอย่างเข้มเนี่ยก็ strong interaction เป็นแรงที่ยึดเหนียว ควากให้หนึบหนับเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอนุภาคเช่นโปรโตอนนิวตรอนหรืออนุภาคตระกูลที่เรียกว่าเมซอนอะไรแบบนั้น ม, มันเหมือนเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดอนุภาคพูดแบบนั้นได้ไหมคะคืออย่างนี้อนุภาคเนี่ยมันก็จะมีอนุภาคที่เป็นมูลฐานาดูเฟนเดเบนทัลที่ไม่มีองค์ประกอบละ<ๆ>เดิมทีเราเคยเชื่อว่ า, วาโปรโตอนที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยเป็นอนุภาคมูลฐาน ค, คือไม่มีเล็กกว่านั้น แต่การศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งมากๆเช่นการเอาโปรตอนมาชนกันแรงมากๆเนี่ยเราค้นพบว่าเฮ้ยการชนเนี่ยมันบอกบ่งชี้ว่ามันน่มันมีองค์ประกอบข้างในที่มันเหมือนจะมีประจุที่มันเป็นเศษส่วนเล็กๆประกอบกันอยู่อะไรแบบนี้นะฮะไอ้พวกนี้เขาเขาก็ศึกษาด้วยเครื่องเร่งอนุภาคที่มันมีประสิทธิภาพมากๆชนกันเฮ้ยมันมีองค์ประกอบนะอะไรเงี้ยแนวคิดเชิงทฤษฎีต่างๆก็แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเนี่ยเราจะเรียกมันว่าควาร์ก อาดูรูปครับเชิบมีวงกลม2วงวงมือตรงนี้ค่ะใช่อนุภาคที่เราคุ้นเคยทางซ้ายมือเขาเรีย ก, กเรียกโ<ม>ปรโตอนนะฮะโปรตอนทางขวาก็คือนิวตรอนอันนี้คุค้นเคยกันดีมันอัดอยู่ในนิวเคลียสนี่แหละออเราจะพบ ว, ว่าโปรตอนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นมูลฐานละไม่ใช่ไม่ใช่พื้นฐานที่เล็กที่สุดมันเกิดจากสิ่งที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าควากร์ก็คือข้างในมันใช่ไหมครับใช่<ห>แล้วนิวตรอนก็ไม่ใช่เล็กที่สุดเหมือนกันเล็กกว่านั้นเนี่ยเรียกควา อืมอ่าซึ่งควากเนี่ยมันก็มีธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากมายหลายอย่างแบบมากมากมากๆที่ว่าเนี่ยมันไปถึงขีดจํากัดเกี่ยวข้องกับการคํานวณด้วยนะคือการคํานวณอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยยากไปหมดเลยผมจะเริ่มอย่างนี้<ะ>ควาคเนี่ยตัวมันเนี่ยประหลาดตัวมันเนี่ยแทนที่มีปัจจุเป็นจํานวนเต็มนะตัวตัวมันเป็นจะเป็นปัจจุแบบเป็นจํานวนเศษส่วนอ่าแต่พอมารวมรว ม, รวมกันแล้วเนี่ย ออกมาเป็นโปรโตอนเนี่ยมันจะเป็นประจุที่เป็นจํานวนเต็ม<อ>เป็นบวกเป็นอะไรแบบนี้หรืออย่างนิวตรอนอย่างเงี้ยก็ประจุข้างในมันหักล้างกันพอดีก็เป็นกลางทางไฟฟ้าไปแต่ strong interaction เนี่ยคืออย่างอันตรรศิริยาหรือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย ม, มันมันส่งผ่านกันด้วยประจุที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าถูกไหมค่ะเช่นประจุบวกกับประจุบวกเป็นไงฮะเป็นก็จะลักกันประจุลบกับประจุลบก็จะผลักกันอ่าแล้วบวกกับลบอ่ะมันจะดึงดูดกันอ่าถูกต้องหรือแรงโน้มถ่วงเองก็ ส่งผ่านสิ่งที่เรียกว่ามวลซึ่งอาจจะเ ร, เรียกว่าเป็นเหมือนประจุขอ ง, ของแรงน้มถ่วงนะฮะมวล ม, มากก็ดึงดูดกันด้วยแรงมากมวล น, น้อยก็ดึงดูดกันด้วยแรงน้อยออตัวเนี้ก็มีประจุของมันเหมือนกันประจุของแรงที่เรียกว่า strong interaction เ, เขาเรียกว่าประจุสี color charge โหไม่คุ้นไม่คุ้นหูเลยถ้าเราบวกกับรถลองนึกออกว่ามันคืออะไรแล้วประจุสีคืออะไรคะ่ะครับประจุสีก็ color charge ก็จะมี r g b สําหรับควาร์ก <ถ> RGB เหมือนแบบที่เราแบบใช้แถบแส ง, แสงใช่แสงนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสีเชิงแสงแล้วก็ตัวปฏิควาส ก, ก็จะเป็นแอนทายเรดแอนท u e บลูแอนท e กรีนอะไรแบบแต่ทีนี้มันไม่ใช่หมายความว่าควากพวกนี้มีสีให้เราแบบแกะควากออกมาแล้วโอ้โหมันเป็นสีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ธรรมชาติของ strong interaction เนี่ยมันพอจะอธิบายด้วยธรรมชาติของสีแสงได้ระดับนึงเช่นควาเนี่ยถ้ามันจะมารวมกันแบบเป็นก้อนสถียรได้เนี่ย มันจะต้องสีทั้งหมดเนี่ยจะต้องรวมกันเป็น colorless oh. อย่างในรูปเนี้ยก็จะเห็นว่ า, าควากเนี่ยมันรวมกันเป็น R G B ซึ่งถ้าเราเอา R G B มารวมกันมันก็จะกลายเป็นแสงขาวหรือ colorless อย่างเงี้ยอ oh. นี่เป็นกฎของ s t o n งอิ t ล็กท c t i o n <Amazing. S 2> เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมรู้รู้สึกว่าคาว่า R G B นี่เราไม่คิดว่ามันจะอยู่ในฟิสิกส์เลยแต่ว่า อ, อ๋อมั น, ม, นมันเกี่ยวข้องกับควาร์กที่อยู่ในโปรโตอนแล้วก็นิวตรอนอีกทีนึงใช่แต่อย่างที่บอกมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสีเพียงแต่ว่าสีนี่มันให้เซนส์นของการเกาะกันอยู่ในความสเสถียรภาพอะไรพวกนี้หรืออย่างอนุภาคชนิดที่เป็นเมโอนมันจะมีควาร์กสองตัวเกาะกันควาร์กสองตัวมันเกาะกันเนี่ยเกาะยังไงก็เป็น R G B ไม่ได้ใช่ไหมค่ะ ถ้าคว้าตัวนึงเป็นเรสอีกตัวจะเป็นปฏิคว้าที่เป็นแอนตี้เรสรวมกันเรสกับแอนตี้เรสก็จะเป็นคาลเลอร์เรสเหมือนกันอย่างเงี้ยเกาะกันอย่างสเสถียรได้อะไรแบบนั้นอประมาณนั้นโอ้อืึไปต่ อ, อยงไงดี <laughs> โอเคค่ะยากไหมรู้สึกว่ายากแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราคุ้นเคย อ, อย่างเช่นเรื่องของค่าสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราพอได้ยินแล้วเราก็จะอ๋อนึกภาพตาม แต่ถามว่ามันยากในเชิงว่าเราพอจะเข้าเข้าใจมันนิดหน่อยในบางส่วนที่พี่ปองแปงเล่าแต่เรานึกมันไม่ออกว่ามันเอามาปรับใช้ทําอะไรเพียงเท่านั้นเองอย่าพิ่งใช้ทําอะไรเอาให้เข้าใจยังไม่เข้าใจเลยคือไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าฟ้าไม่เข้าใจคือนักฟิสิกส์เองก็ยังคํานวณและเข้าใจกับผู้นี้ยยังไม่ค่อยได้เลยแล้วเอามาใช้ทําอะไรก็ยังไม่เห็นการจะใช้ยังไม่เข้าใจแล้วจะใช้ยังไงเนี่ยมันมันยากคือเอานี้ควาร์กเนี่ยที่มันเกาะกันเป็น โปรตอนนิวตรอนเนี่ยครับเราดึงมันออกมาเป็นควาร์กเดียวตัวเดียวอ่ะไม่ได้ด้วยนะธรรมชาติของมันอ่ะคือแยกไอ้ตัวเนี่ยน้ำเงินแดงเขียวเนี่ยออกมาไม่ได้ไม่ดึงออกมาเป็นเม็ดเดียวไม่ได้ไม่ได้ถ้าไปดึงมันออกมาพยายามจะดึงสักเม็ดออกมาสมมตินะฮะโดยทฤษฎีมันบ่งชีว้ว่ามันจะเกิดการสร้างควาร์กตัวใหม่ขึ้นมาขึ้นมากับตัวที่ดึงออกมา<อ>แล้วไอ้ตัวนั้นอ่ะก็จะมีค ว, วาร์กตัวใหม่รูปขึ้นมาทําให้มันไม่มีควาร์กเดียวๆทาให้การศึกษาควาร์กก็ยิ่งยากมาก คือธรรมชาติของควักมันดันเป็นแบบนั้นเหมือนมันพยายามหลบเร้นการศึกษาของเราเข้าไปด้วยอแล้วตัวมันมีประจุสีตัวมันมีประจุไฟฟ้าเข้าไปอีกออืยากไปกันใหญ่คือเราไม่สามารถไปบอกว่าควักครับควักครับพี่พี่ปิดปิดไฟฟ้าให้ผมแป๊บหนึ่งผมจะได้ดูประจุสีพี่พี่ปิดสีปิดไฟฟ้าให้ผมแป๊บหนึ่งได้ไหมเราบอกแบบนั้นก็ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยอ่ะควักมันมีไฟฟ้ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นออืครับค่ะ <c oughs> นั่นก็คือแรงพื้นฐานที่4ค่ะครับมีใครมืนงงไหมคะถึงตรงนี้ <c oughs> ที่นี้มีอีกหนึ่งคําถามว่าถ้าเวลาที่เราไปเซิร์ชว่าแรงพื้นฐานเนี่ยเราจะเจอว่าในเน็ตเนี่ยมันจะมีคําว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนอมันอย่างเดียวกันกับแรงอย่างเข้มอย่างอ่อนที่เราคุยกันวันนี้ไหมคะอ๋อคือสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยอย่าง weak interaction เนี่ยเขาก็อาจจะเขียนว่าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนหรือ strong interaction หนังสือหลาย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเล่มก็เขียนแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ ม, ม <Sounds. S 2> นะฮะก็อาจจะใช้ได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่เขาจะเขียนแรงอย่างอ่อนกับแรงอย่างเข้มไปเลยหรืออาจาจะทับศัพเป็น strong interaction ไปเลยเพราะว่าตัวมันจะสับสนตรงที่ว่าในนิวเคลียสนะฮะตอนที่เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอ p ลป์เอนไฮเมอร์หรือปริยานิวเคลียร์เนี่ย นิวเคลียสเนี่ยมันมีโปรตอนกับนิวตรอนหรืออัดอัดแน่นกันอยู่ใช่ไหม<ฆ>แล้วโปรตอนกับโปรตอนกับนิวตรอนที่มันอัดแน่นกันเนี่ยอ่ามันยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงนิวเคลียร์ทีนี้พอไปเรียกว่าคําว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มมันอาจจะไปสับสนกับแรงนิวเคลียร์ตรงนั้น oh. ซึ่งไอ้เจ้าแรงนิวเคลียร์ที่ยึดระหว่างโปรตอนกับโปรตอนนิวตรอนกับโปรตอนหรืออะไรที่มันอยู่ในนิวเคลียสเนี่ย oh. ตัวนั้นไม่ใช่ฟันเดเมนทัลอินเทอร์เรคชันแต่เป็นผลมาจากสตรองอินเทอร์เรคชัน เป็นสับเซตของการอีกทีหนึ่งป่ะคะเป็นผลเป็นเศษบางอย่างที่หลงเหลือออกมามันเป็นเศษเล็กๆน้อยๆที่ที่สะตรองมันส่งผลออกมามันก็เลยยึดพวกนี้เข้าไว้อะไรเงี้ยแปลว่าอาจจะเรียกได้แต่อาจจะสับสนเกิดขึ้นได้ทุกวันนี้พยายามเขาก็พยายามจะเรียกกันไม่ให้สับสนก็เรียกแรงอย่างอ่อนแรงอย่างเข้มไปเลย แรงนิวเคลียร์อะไรแบบนั้นออโอเคทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าจะเป็นที่จับตามองในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ว่าเรามีข่าวบอกว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแรงพื้นฐานที่5ซึ่งซึ่งจากข่าวก็จะบอกว่าเนี่ไม่ใช่การเจอครั้งแรกแต่ว่าเคยเจอมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนแบบเจอเคลาลางของมันเคยเจอเคลาลางของมันเมื่อสปีก่อนแล้วก็เหมือนมาเจอหลักฐานอะไรใหม่ๆอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ะะเลยอยากรู้ว่าคําว่าแรงพื้นฐานที่มันจะเป็นชนิดใหม่ขึ้นมาเนี่ย มันมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเอางี้ก่อนในวิทยาศาสตร์เองเนี่ยการจะค้นพบอะไรที่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่คือบิ๊ก l คลมเนี่ยนะมันจะต้องการบิ๊กเอ d e ิเดนซ์เนื่อเหรอไหมฮะแรงอย่างที่ห้าถ้ามันมีอยู่จริงถ้ามันมีอยู่จริงนะมันอาจจะไม่มีก็ได้หรือมันอาจจะมีก็ได้นะวันนี้นะมันต้องการหลักฐานที่สตรองมากๆเขาถึงจะกล้าพูดเรื่องนี้เนาะ คืออย่างนี้ก่อนเลยว่าทุกวันนี้เราค้นพบแรงมาสี่แรงแล้วนะครับแล้วสี่แรงนี้มันก็อธิบายธรรมชาติที่เราพบเห็นได้ดีในในระดับที่น่าพึงพอใจมากแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้นักฟิสิกส์เนี่ยระแคะระคายว่าเราต้องการฟิสิกส์ใหม่หรือ new physics อนะครับถ้าจะเปรียบเทีย บ, ก, บกับกับการสารวจนะฮะคล้ายๆกับวันพีซหรือการเดินทางทางทะเล เหมือนค้นพบดินแดนดินแดนใหม่ดินแดนใหม่อะไรแบบนั้นอนะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนิวฟิสิกส์นะนั่นก็คือมันมีตัวแปรตัวหนึ่งเขาเรียก G Fa ฟกเตค่ะไม่ต้องเข้าใจมันมแต่เอาเป็นว่ามันเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กธรรมชาติเกี่ยวกับแม่เหล็กของอนุภาคนะฮะทีนี้เจ้า G Factor เนี่ยนักฟิสิกส์ก็ทำการวัดสิ่งที่เรียกว่า GF แฟกเตของอิเล็กตรอนอก็ได้ค่านึงออกมาแล้วก็พอคํานวณออกมาโอ้โหทศนิยมตําแหน่งหลังๆอะไรพวกนี้มันสอดคล้องแบบ ได้อย่างน่าทึ่งเลยอ่ะมันตรงไปถึงทศนิยมแบบตำแหน่งเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ <Ừ. S 1> วัดออกมาแล้วคำนวณออกมาตรงกันเป๊ะมันน่าทึ่งมาก <Ừ. S 1> นะแฮปปี้ตบ <Ừ. S 1> มือนะแต่พอไปเจอค่า G-Factor ของตัวอนุภาคหนึ่งเขาเรียกมิวออนมิวออนก็เป็นอนุภาคมูลฐานตัวหนึง่งที่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะมิวออนมันไม่เสถียร อิเล็กตรอนนี่มันเสถียรแต่มิวออนไม่ค่อยเสถียรทีนี้พราไม่เสถียรเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะการจะตรวจจับก็ยุ่งยากพอกว่าจะเจอก็ไม่ได้เจอกันตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็มาเจอแล้วพอเจอปุ๊บเนี่ยการจะศึกษาอะไรเกี่ยวกับมันก็ลําบากเพราะอะไรที่มันเสถียรคือเหมือนน้องคนนึงมันนั่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็สัมภาษณ์เขาวันที่ครับเป็นอะไรเราคุยได้เรื่อยๆสัมภาษณ์ทําความรู้จักศึกษาได้ศึกษาได้ง่ายกว่าอิเล็กตรอนอย่างง่ายแต่มิวออนเนี่ยเหมือนน้องคนนึงที่มานั่งแบบ หวิแล้วแบบผมมีเวลาให้พี่วินึงนะพี่รีบสัมภาษณ์ผมแล้วผมจะกลับบ้านแล้วอืมสุขศกากัดีวะเนี้ยคือเห็นเห็นหน้าตาการแต่งตัวก็บุญแล้ว อ, ะอ่ะเออมิวออนเปรียบได้อย่างนั้นอ่ะศึกษายากมาก ม, มันสลายตัวเร็วดังนั้นการศึกษา G Factor ของมิวออนเนี่ยท้าทายแต่ท้าทายยังไงนักฟิสิกส์ก็ศึกษามันได้จนละเอียดค่ะทีนี้ศึกษาละเอียดปุ๊บเพราะว่า G Factor สมบัติเชิงแม่เหล็กของตัวมิวออนเนี่ยนะครับ ทศนิยมตำแหน่งหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาด้วยทฤษฎีที่ดีที่สุดที่มีตอนเนี้เรามีปัญหาว่ามันไม่ตรงกับทฤษฎีแล้ะ<อ>คำนวณเหมือนที่เราศึกษาอิเล็กตรอนไม่ได้คำนวณด้วยทฤษฎีเดียวกันแต่การทดลองเนี่ย ม, มันต้องการเทคนิคที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พัฒนาเทคนิคที่ดีขึ้นแต่ทศนิยมหลังๆที่เราวัดได้มันไม่ตรงกับที่คำนวณ อ, อ่ะทีนี้พอวัดไม่ตรงเนี่ยถ้าเป็น อ, อย่างผมคนทั่วไปใช้ชีวิตประจำวันทศนิยมหลังๆไม่ตรงผมก็หยวนไม่เป็นไร แต่ไม่ได้นักฟิสิกส์คือมันต้องตรงดิทฤษฎีมันไม่ตรงมันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคือที่มาของความระแคะระคายว่ามันจะมีนิวฟิสิกส์หรือเปล่าทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าตอนนี้เรายังไม่เคลมคำตอบคือการทดลองอะไรพวกนี้มันมีเอ r o r ได้แล้วรันเครื่องทีนึงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเป็น โหนานมากอะฮะในการจัดจัดกำจัดความเออร์เหล่านี้ออกไปทุกวันนี้ก็ศึกษากันอยู่นะันปี2023เนี่ยแล้วก็ต้องศึกษาไปอีกเป็นเป็นห้าหกปีอาจจะเป็น10ปีเพื่อจะได้กำจัดเอ r ร์พวกนี้แล้วก็เครื่องแต่และเครื่องก็ต้องรันเพื่อจะได้เอาผลมาเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่เออร์เรคือไอ้ไอ้ส่วนที่มันไม่ตรงทฤษฎีเนี่ยนักทดลองก็ต้องมั่นใจว่ามันไม่ใช่เพราะการทดลองของตัวเองอใช่ไห ม, มดังนั้นตอนนี้เรายังฟันธงไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่สมมุติว่าสมมุติว่า สมมติว่าการทดลองมันถูกไอ้ส่วนที่มันไม่ตรงเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะการทดลองที่เออร์เรอแต่เป็นผลมาจากอะไรสักอย่างในทฤษฎีอ่ะอันนี้เรื่องใหญ่ละว่าเกิดจากอะไรล้วอาจจะต้องพัฒนาทฤษฎีที่มีอยู่หรือเปล่าหรือมันอาจจะเกิดจากอนุภาคชนิดใหม่ที่เราไม่เคยค้นพบมา ก, ก่อนหรือเปล่า嗯嗯หรือมันอาจจะเป็นอย่างที่บอก แรงอย่างที่หหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันมีความเป็นไปได้อีกหลายทางเอาจริงคือมันยังไม่มีนักฟิสิกส์คนไหนกล้าออกมาฟันธงขนาดนั้นว่าเนี่ยคือแรงอย่างที่5นี่ยังจริงๆยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่าการทดลองมันแม่นแค่ไหนร้ออร์เ็หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษานอนต่อไป เพื่อที่จะดูการเจ้าชื่ออะไรนะคะมิวออนมิวออนต้องศึกษามิวออนต่อไปก่อนโอเค okay. ทีนี้ทีนี้มี <ew> มีมีคำถามแล้วว่าเหมือนพอคุยกับพี่ปองแปงเรื่องเนี้ยพี่ปองแปงเคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วก็ในยุค ข, ของ i อสไตเนี่ยเขาก็มีความฝันเรื่องของการรวมอะไรบางอย่างรวมแรงภืนฐ<อ>านใช่ไหมคะใช่มันเป็นยังไงคะพี่คือตอนที่ไอส l e ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย งานท้ายๆของชีวิตเขาอะ่ะคือการพยายามอธิบายแรงพื้นฐานในกรอบทฤษฎีเดียวให้ได้คือ Unify มันรวมรวมกันผมใช้คําว่าพยายามอธิบายในกรอบเดียวอคล้ายๆกับการพยายามมองแม่เหล็กกับไฟฟ้าให้อยู่ในกรอบเดียวเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่าแน่นอนเป็นความฝันของไอน์สไตน์ที่ตอนนั้นมันอยู่นอกกระแสมากคือตอนนั้นไอน์สไตน์เริ่มเริ่มแก่เนาะพอแก่ปุ๊บก็นักฟิสิกส์หลายคนก็ ไว้หนุ่มอะฮะก็ลาทำอะไรมันเข้าท่าเลยอะไรเง<อ>ี้ย<อ>ก็จะแบบไอน์สไตน์คุณเาก็คคคเคยเก่งนะแต่ทุกวันนี้เทรน์การศึกษามันเรากำลังตื่นเต้นกับเรื่องอื่นๆอยู่อะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครทำเรื่องนี้กันนะแต่ทุกวันนี้นักฟิสิกส์เริ่มกลับมาคิดพยายามศึกษามันในกรอบเดียวให้ได้แล้วใช่แต่จริงๆต้องบอกว่าไอน์สไตน์เขารำมากนะคือการพยายามมอง แรงพื้นฐานในกรอบเดียวตอนนั้นเนี่ยถ้าทําได้จริงมันจะนํามาซึ่งความเข้าใจธรรมชาติในระดับรากฐานและลึกซึ้งมากๆมันจะทําให้ทุกอย่างดูเรียบง่ายขึ้นไปอีกมันจะซิมเพิลมากแต่ไม่ได้หมายความว่ามันง่าย น, น ะ, ะแต่ก็มันจะดูเรียบง่ายมากทุกอย่างเป็นปรากฏการมาจากแรงพื้นฐานเพียงหนึ่งเดียวสมมติว่าถ้าได้อะไรแบบนี้นะแต่ตอนที่ไอสไตล์ Star อยู่เนี่ยเขามีแค่สองแรงณนะตอนนั้นมีแค่แรงโน้มถ่วงกับแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นเองตอนนั้น weak กับ strong ยังไม่เจอ ผมว่าถ้าเจอไอสไตล์อาจจะไม่รวมแล้วก็ได้อาจจะแบบเปลนใจไม่ไหวแล้วโหสี oh, ตอนนั้นมันสองไงสองเหมือนกับแบบจับปูกับกับตัวอะไรอ่ะสองตัววิ่งวิ่งเร็วๆมาอยู่ด้วยกระด่งเดียวกันเนี่ยมันยังพอพยายามทําแต่ตอนนั้นก็ไม่สําเร็จนะอะแต่ว่าโหถ้าเจอสี่เนี่ยผมว่าก็อาจจะละท้อไปเลยอือืค่ะจริงๆพอพอคุยกันตอนนี้ฟังทึ่งกับการพยายาม อธิบายแรงพื้นฐานของพี่ป๋องแฝงมาแล้วก็การพยายามแบบอธิบายแล้วก็เข้าใจแรงพื้นฐานของนักฟิสิกส์ด้วยนะเออมันเป็นมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ว่าบางเรื่องอะ่ะแม้แต่จินตนาการภาพมันให้ออกก็ว่ายากแล้วก็ต้องเข้าใจหลักการของมันอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย น, น ะ, ค, ะคือตอนนี้ก็ถือว่าท้าทายนะท้าทายผมท้าทายน้องฟังท้าทายคุณผู้ชมว่าเออจะพอ get ไอเดียแค่ไหนอย่างไรแต่นี่ผมว่า ก็ไอเดียหลักๆก็ประมาณนี้อฟังว่าตอนนี้มั น, มนทําให้เราเห็นว่าทุกวันนี้ที่โลกดูเหมือนจะมีความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องฟิสิกส์เยอะแยะมากมายแต่แรงพื้นฐานที่เรามองว่ามันคือเรื่องพื้นฐานนะเราก็ยังไม่สามารถเข้าใจมันได้ทั้งหมดร้อเซเลย <S <S ใช่ใช่แล้วจริงๆเนี่ยมันท้าทายกว่า น, นั้นอีกที่รู้สึกจะคุณดูดิชาร์ดไฟแมนเคยกล่าวไว้นะว่าการเข้าใจแรงทั้งหมดนะฮะต่อให้เข้าใจแรงทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม การจะนํามาใช้งานหรือสร้างเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเปรียบได้กับการพยายามเหมือนการเล่นหมากรุกอะ่ะคือเราอาจจะเข้าใจกฎของหมากรุกว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรก็คือกฎพื้นฐานนั่นแหละแต่การพยายามจะเล่นให้เก่งเนี่ยมันเป็นเป็นอีกเรื่องนึ่งะะฟังเพิ่งอ่านหนังสือเรื่องถ้าจําชื่อไม่ผิดนะคะเป็น usefulness of useless knowledge อะไรประมาณนี้แต่ความหมายของมันคือไม่แน่ใจว่าจำชื่อหรือเปล่าความหมายคือความรู้บางอย่างไม่ได้แปลว่าเราต้องศึกษาเพื่อเอาไปใช้ได้ทันทีในในวันนี้ก็ได้แต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเกิดการเอาไปใช้ในฟังก์ชันอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ได้<ม>เลยเช่นกันถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับบางเรื่องที่จะดูเหมือนกับว่าศึกษาไปทําไมแต่จริงจริแล้วประโยชน์ของมันอาจจะไม่ได้อยู่ในวันนี้แต่ว่าอาจจะอยู่ในอนาคตก็ได้ใช่ใครที่ฟังตอนนี้แล้วมึนงงกดอยู่ข้างฟางนะโอเคแต่ว่าใครที่ฟังแล้วเข้าใจพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะอยากรู้ว่าทุกคนฟังตอนนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ฝากติดตามใดๆในโลกลนฟิสิกส์กันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe youtube channel ของ the standard podcast รีบกดเลยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนหน้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการของเราได้ในทุกๆ podcast player เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะัครบ The Standard Eye-opening Podcast Eye for your ears